พูดถึงการเจริญกรรมฐานน่นะซึ่งแต่ละคนเนี่ยควรมีสักอย่างหนึ่งเอาไว้ในใจที่เป็นบริหารไปเ น, นื้องนิดถ้าไม่รู้มีถ้าไม่รู้จักเจริญกรรมฐานให้บริหารเอาไว้ในจิตจิตมันก็คิดไปเรื่อยเนาะส่วนใหญ่เนี่ยมันคิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดเพราะว่าอวิชชาเป็นสมุธฐานอวิชชาเป็นเหตุตปัจจัยให้ความคิดต่างๆเนี่ยเกิดขึ้น ความคิดใดที่มีอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยน่นนะแปลว่าอาวิชชาเกิดร่วมด้วยอะ่ะมันทําให้คิดเรื่องไม่ควรคิดซะส่วนใหญ่เรื่องควรคิดไม่คิดหรอกไปคิดไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วก็ <c oughs> ชอบไปคิดในเรื่องที่ตัวเองเดือดร้อนในภายหลังเปรียบเสมือนเด็กที่ไม่รู้ไร้เดียงสาเนี่ยนะไปทําอะไรก็ชอบทําอะไรที่มันตัวเองเดือดร้อนในภายหลังซะส่วนใหญ่ชอบขึ้นบนที่สูงไงไหม แล้วก็ตกลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้นอนควนครางมีเด็กคนหนึ่งนะมันสนมากขึ้นไปที่ต้นมะยมนี่มันลูกมะยมมันก็มันมีอยู่ที่ปลายปลายกิ่งเลยก็ไต่ไปเรื่อยได้ตกมือหักเลยอันนั้นคือความที่ความไม่ฉลาดของเด็กในที่สุดก็เจ็บตัวเลยใช่ไหมชั้นใดก็ดีผู้ที่คิดทั้งหลายคิดไปคิดมานะเราคิดจนเดือดร้อน เคยคิดจนไม่สบายใจมม่ยมั่งยืนอยู่ๆก็อยู่สบายสบายดีอ่ะนะหาเรื่องคิดจนเครียดแล้วก็ใช้ได้แล้วพอแล้วนะคิดไปคิดมาก็เดือดร้อนอีกแล้วอันนี้เรียกว่าไม่มีบริหารไม่มีกรรมฐานบริหารประจําใจพันเราก็ควรให้เป็นกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ในบรรดากรรมฐานทั้งหลายการใส่ใจมหาพูดเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาตัวมหาพูดนะ เป็นทั้งอารมณ์แห่งสมถะและเป็นอารมณ์แห่งวิปัสนาสุดแท้แต่จะเลือกมนสิกาลมหาพูดนั้นตามสภาพที่เป็นจริงก็มีอยู่สองอย่างใช่ไหมมหาพูดที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับมหาพูดที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะถ้าแบ่งออกเป็นสองอย่างภาษาธรรมะใช้คาว่าอุปาทินกะกับอนุปาทินะกะเมื่อวานก็คือมหาพูดภายในกับภายนอกนั่นเอง นเนี้ที่ใดมีธาตุใดธาตุหนึ่งนะในมหาพูดสี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเนี่ยถ้ามีดินก็แสดงว่ามีไฟมีน้ํามีลมอยู่ในนั้นด้วยถ้ามีไฟก็แสดงว่ามีดินมีน้ํามีลมในนั้นด้วยนเการเจริญปัญญาเหล่านี้ไม่ใช่การเจริญปัญจทวารอันนี้อันนี้คือคือสิ่งที่ทําความเข้าใจกันไว้เป็นลําดับแรกไม่ใช่กําหนดธาตุดินแล้วก็ต้องเอาเอาอะไรไปสัมผัสจึงจะรู้เออใช่ดิน เห็นไฟมันร้อนเออในนั้นมีเตโชธาตเราไม่เชื่อหรอกเราต้องไปจับดูก่อนต้องลำบากขนาดนั้นไหมไปจับไฟฟ้าแรงสูงจะเดือดร้อนนี่สุกเลย <c oughs> แล้วก็ปัญญาที่เข้าไปมณสิการว่าทั้งมวลล้วนแต่เป็นธาตุเป็นมหาพูทที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุธาตุลมเราพูดแบบง่ายๆเลยเราค้นหาดูซิตรงไหนไม่มีธาตุดิน โดยที่สุดแม้พรห ม, มโลกก็มีธาตินินเว้นอรู ป, ปรพรหมซะที่เหลือตากว่านั้นมหาพูดหมดเลยไล่ไปจนถึงอเวจีก็มหาพูดแต่ว่าเตโชธาตมันแรงไปหน่อยทะเลก็มหาพูดใช่ไหมแต่อโปธาตมันมากไปหน่อยแผ่นดินก็มหาพูดปฐวีธาตมากไปหน่อยบางแห่งเนี่ยลมมันแรงอันนั้นวายโยธาตมากไปหน่อยอันนี้ภายนอกนะแล้วภายในล่ะ มหาพูดนั้นควรเจริญควรมนานสิการเอาไว้เป็นอัธยาศัยว่าทั้งมวลนั่นล้วนแต่เป็นมหาพูดเนี่ยนะซึ่งมหาพูดนี้พระองค์อุปมาเหมือนอะไรอสสระพิษสี่ตัวเนี่ยนะแต่ละอย่างนี้เหมือนอสสระพิษหมดเลยมหาพูดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยวาโยธาสมันกำเริบล้อแตกไปข้างหนึ่งเนี่ยนะเจ้าของมหาพูดเลยเดือดร้อนอีกแล้วจอดรถทิ้งไว้กลางถนนไม่รู้ว่ารถใครแต่ว่ามหาพูดมันแฟบไปข้างหนึ่ง เมื่อวานอาจารย์สันติเอามาหาพูดเล็กๆเนี่ยไปกระทบกับมาหาพูดใหญ่ๆเข้าก็เลยมาหาพูดมีรอยมาอีกดีนะว่าอถินาทานให้ผลอย่างเดียวถ้าปานาติบาตให้ผลด้วยลําบากกว่า น, นี้อันนี้ก็คือจริงๆนะถามว่าทั้งมวล น, นั้นล้วนแต่มาหาพูดนะทว่าไปขาไปนี่เตโชาธาตมากเลยนะตอนไปไหว้พระเจดีพอไหว่พอกําลังไหว้ก็วาโยาธาตมีกําลังแรง พอไหวเสร็จอโปธาต์ก็ลงมาอีกนะี <c oughs> ก็มีแต่มหาพูดกำเริบทั้งนั้นเลยนะนี่มหาพูดภายในก็เอาเรื่องด้วยนะ <c oughs> มหาพูดภายในก็ทํำธาตุดีนะอโปธาต์ภายนอกมันกำเริบเตโชธาต์มันเลยลดลงนะไม่งั้นอาโปธาต์ภายในกำเริบอีกถ้ามันร้อนมากๆนะมันท่าสายใจโดยความเป็นมหาพูดอย่างนี้ไว้บ่อยๆเนี่นะแล้วอย่างอื่นจะตามมาอีกบาง แม้กระทั่งผู้ที่เรียนพระธรรมเนี่ยนะเรียนพระธรรมเยอะๆเนี่ยถ้าใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดแล้วอุปาทายรูปไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องยากเลยสาหรับบุคคล น, นั้นที่สำคัญคือเราใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดน้อยไปถ้าคิดถึงโดยความเป็นมหาพูดมากๆยิ่งมหาพูดภายนอกด้วยเนี่ยโดยความเป็นรูปเนี่ยนะมีไม่มากตามสภาวะนะมีไม่มากมีแค่วินิโพครูป 8. แล้วความวิจิตของมหาพูดภายนอกมีเตโชเป็นสมุดฐานเป็นหลักมีเตโชสมุดฐานเป็นหลักเพราะฉะนั้นรถรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะแม้กระทั่งเครื่องบินอะไรทั้งหลายที่เป็นไปได้เนี่ยมีเตโชธาตุเป็นสมุดฐานเป็นปัจจัยเป็นหลักนั่นอนุภาพของเตโชธาตุภายนอกอยังยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นแล้วเตโชธาตุภายในนะอย่างชีวิตของเราเนีดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยหนึ่งอายุสองไออ่น3จิต นันตัวเตโชธาตในภายในนะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตดํารงอยู่ได้หรือจะตายเพราะฉะนั้นถ้าใครป่วยเนี่ยนะเขาก็จะเอามาวัดอุณภูมิใช่ไหมถ้าซักสี่สิบน่าจะเกิดเตรียมเกิดใหม่ได้เลยนะถ้าลดกว่า37ละ่ะมาเหลือซัก34องศาในร่างกายละ่ะก็เตรียมจะเกิดใหม่อีกเหมือนกันนะันเตโชธาตภายในเนี่ยสำคัญมากเลยที่ที่มหาพูดจะเป็นไปได้หรือ เป็นไปไม่ได้มหาพูดภายนอกก็เหมือนกันมีเตโชธาตนะเป็นเป็นตัวที่จะทําให้มหาพูดนั้นแปลเปลี่ยนเป็นอย่างใดก็ได้สุดแท้แต่อานุภาพของเตโชธาต้นนั้นเป็นปัจจัยนั้นมหาพูดนั้นก็เป็นปัจจัยแก่มหาพูดมหาพูดนั้นมีมหาพูดเป็นเหตุป้ายใช่ไหมมหาพูดหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาพูด3มหาพูด3าเป็นปัจจัยแก่มหาพูดหนึ่งมหาพูดสองเป็นปัจจัยแก่มหาพูดสอง แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นผลของอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างก็เป็นเหตุของอีกอย่างหนึ่งแต่ทั้งมวลนั้นล้วนแต่มหาพูด ah ที่พระผู้มีพระภาคอุปมาประดุดอสรพิษเนี่ยนะที่เหมือนเลี้ยงงูเลยใครบริหารมหาพูดไม่ต่างอะไรจากบริหารอสรพิษเพราะว่าเลี้ยงยากเนี่ยนะเลี้ยงยากแล้วก็ไม่รู้คุณ น, น เลี้ยงยากไม่เคยดูร่างกายเรานะบำรุงบำเรอมันมากๆแล้วมันมันมันเชื่อเราไหมบอกขอร้องเธอได้โปรดไม่ยอมหรอกทีมันจะปวดเมื่อยมันก็เมื่อยไปหมดอ่ะนะยังไงมันก็ไม่ค่อยยอมอนะท่านมหาพูดเหล่านี้มันเนรคุณเขาว่างกันเป็นสัตว์เนรคุณเลี้ยงไม่ค่อยเชื่อหรอกมหาพูดทั้งหลายเป็นเช่นนั้นจริงๆ แล้วแต่มีข้อที่ควรเอามาคิดเป็นข้ออุปมาที่พระองค์เปรียบในอัตกาถาท่านเปรียบเทียบว่ามหาวิการที่ยิ่งใหญ่มหาวิการก็คือมหาวินาศนั่นแหละมหาวินาศสันตโรทั้งหลายเนี่ยเสียหายทั้งหมดนะอะไรก็ตามที่มันเสียหายเป็นเรื่องของมหาพูดทั้งนั้นเลยเหตุการณ์ใหญ่โตทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของมหาพูดทั้งหมดเช่นตึกถล่มก็มหาพูดมันถล่มใช่ไหมไฟไหม้ ก็มหาพูดนั่นแหละกําเริบน้ําท่วมตายเป็นเบือก็มหาพูดกําเริบลมพัดเสียหายมากมายเช่นพายุทอร์นาโดเป็นต้นเนี่ยนะก็มหาพูดนะแผ่นดินถล่มตายเป็นเบือเลยก็มหาพูดอย่างเมื่อปีก่อนโน้นนะมหาพูดกําเริบที่อินเดียไหมตายไปหลายหมื่นเหมือนกันอาโปกําเริบอาโปกําเริบที่เมืองจีนก็ตายไปเยอะอาโปกําเรบที่ไต้หวันก็ตายไปไม่ใช่น้อยนะนะ มันก็เป็นเรื่องของมหาพูดซะส่วนใหญ่ที่ที่มันมีปัญหานะเป็นเรื่องของมหาพูดทั้งนั้นเลยแม้อาวุธยุทโธปกรณ์ก็เป็นก็มหาพูดรวมทั้งสิ่งที่เราแสวงหาก็แสวงหามหาพูดบริโภคมหาพูดบำรุงมหาพูดอยู่กับมหาพูดนี่แหละมหาวิมหาบริหารอย่างหนึ่งใช่ไหมดูแลก็ยากยากสองมหาวิการเสียหายยิ่งใหญ่มากแล้วก็ มหาผีด้วยมหาพูดก็มหาผีนั่นแหละโอ้จะมีอะไรหลอกลวงเท่ามหาพูดนี้ไม่มีอีกแล้วตัวมหาพูดมันไม่สีเขียวใช่ไหมแต่มันทำให้เขียวได้มันไม่สีแดงมันทำให้แดงได้ไม่เหลืองแต่มันสแสดงสีเหลืองได้อะไม่ขาวมันสแสดงสีขาวได้อะไนะ อย่างในโลกของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมสีทั้งหลายในคอมพิวเตอร์นะมันก็เบื้องหลังจริงๆของสี น, ะนั้นนก็คือมหาพูดแต่ทําไมมันวิจิตขนาดนั้นนะแต่งได้ซะจนวิจิตเลยนะมหาพูดเนี่ยสีของมหาพูดแม่สีหลักๆเนี่ยมันก็มีไม่กี่ตัวผสมกันไปผสมกันมาเนี่ยสีเป็นล้านสีถ้าถ้าว่าไปเนี่ยสีในโลกนะมันหาที่สุดไม่ได้ถามว่ามีใครหน้าสีหน้าเหมือนกันบ้างไหมสักคนหนึ่งสีมันวิจิตขนาดนั้นนะนะ คือ ค, ความแตกแต่ว่าเบื้องหลังของสีเหล่านั้ น, น, นทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นมหาพูดถ้าใส่ใจอย่างนี้บ่อยๆก็จะเห็นความเป็นรูปประคัเพราะมหาพูดเป็นเหตุให้บัญญัติว่ารูปประคัถ้ามหาพูดเหล่านั้นบริบูรณ์สมบูรณ์ดีหมดเลยเวทนาขันที่เป็นโสมนัสก็พอใจชอบมากถ้าหากว่ามหาพูดนั้นๆเสียหายไปมันมันไม่ดีนะมหาพูดนั้น เสียหายไปโทมนัตเวทนาก็ก็เกิดถ้ามหาพูดธรรมดาก็อุเบกขามหาพูดมันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาที่ที่ยิ่งใหญ่มากถ้ามหาพูดที่ดีกามสัญญาก็เกิดมหาพูดที่ไม่ดีพยาปาทาสัญญาเป็นต้นก็เกิดแต่ว่า ทั้งมหาพูดดีมหาพูดไม่ดีก็เป็นเหตุให้เกิดเครื่องเนิ่นช้าคือตันหามานะเละทิฐิตันหามานะทิฐิก็เป็นสังขารขันถามว่าพวกเวทนาสัญญาสังขารเหล่านั้นเกิดร่วมกับอะไรก็เกิดร่วมกับจิตทั้งหลายแล้วตัวที่ไปพิจารณามหาพูดนั้นเป็นอะไรก็เป็นจิตจิตเหล่านั้นเป็นตัวอารมณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งจิตกี่ประเภทแต่มหาพูดเดียวกันเนี่ยนะบางคนก็ไปหัวเราะ บางคนไปเห็นแล้วก็ร้องให้นะมหาพูดเดียวกันอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าตนกำลังได้มหาพูดอีกคนหนึ่งนะไปเกี่ยวกับมหาพูดอันนั้นบอกว่าตนกำลังเสียเนี่ยนะก็เรียกว่ามีความเป็นลาบความเสื่อมลาบก็อยู่ในมหาพูดเหล่านั้นนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆนะความเป็นมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งรูปประขันจะชัดพิจารณาโดยนามปะขันก็ชัดแล้วก็มหาพูดเหล่านี้รู้ทางทวารใดล่ะ อายตนะทั้งหลายก็ชัดมหาพูดก็เป็นธาตุอยู่แล้วการมนุิการโดยความเป็นธาตุก็เป็นไปได้ขันธาตุอายตนะเหล่านี้แหละเรียกว่าสังสาระมหาพูดบางอย่างเป็นผลของกรรมกรรมมาจากไหนก็สาวไปอย่างนี้ก็สามารถเอามหาพูดมาทําปริญญาโดยวิธีการต่างๆได้แต่ว่าสิ่งที่เราควรสําคัญหมายว่าใส่ใจว่ามหาพูดมหาพูดเอาไว้เนืองนิดนะ จะทำให้ได้เข้าใจพระธรรมอะไรอีกมากนะเดี๋ยววันนี้มหาพูดก็จะไปอยู่เฝ้ามหาพูดที่โน่นต่ อ, อนะถ้าเราก็เอามาคิดในเรื่องร่างกายของเราเนะยหลายๆท่านเคยสาวเคยสวยมาเนี่ยก็มาคิดดูเคยหนุ่มเคยหล่อนี่เมื่อก่อนผมเป็นอย่างนี้ไหมกระจับดูผมมานะ เคยมันเป็นอย่างงี้ไหมเมื่อก่อนบอกไม่เป็นนี่มันก็ชาราบานพระดารัดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคําจริงคําแท้เออมันจริงจริงอะนะโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ไล่มาเรื่อยนะเมื่อก่อนคิ้วงามกว่านี้อย่านีเมื่อก่อนหนวดคราเป็นต้นก็ดีกว่านี้ก็ไล่อย่างเนี้ยไปเรื่อย มาโทษทวนว่าเออเนี่ยชรามันพาเปลี่ยนไปหมดเลยนะแล้วก็คนที่กําลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเนอีกห้าสิบปีข้างหน้าควรจะเป็นยังไงเนี่ยนะผมของเราอีกห้าสิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเนอเนี่ยนะก็นึกยาวไปหาอย่างนี้บ่อยๆก็จกักจักเห็นว่าโอ้เนี่ยชราทั้งหลายโลกอันชรานําไปไม่ยั่งยืนใช่ไหมไม่มีใครอะที่ไม่ไม่ไม่ไม ไม่มีความชราถ้าว่าไปแล้วทุกคนเนี่ยเดินไปหาความชรากันใกล้กับชราที่สุดนี่คืออะไรประฐานะเอ่อใครเรียกว่าชราเนี่เป็นประฐานะของอะไรมรณะนะเห็นชราเท่าไหร่มรณะก็อยู่แค่เอื้อมไม่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เพราะสิ่งที่แก่เป็นนั่นแหละคือสิ่งที่ตายเป็นความตายเนี่ยมีกับสิ่งที่มีชราชราและมรณะเหล่านี้มีอะไรหนอเป็นตัดใจ ก็มีชาติเป็นปัจจัยแต่ก็พยายามมานาสิการวัชรามรณะเหล่านี้เอาไว้ให้มากๆว่าคือในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในร่างกายของเราเนะเมื่อก่อนตาเราก็ชัดกว่านี้ตอนนี้ก็ตัดแว่นแล้วอย่างเงี้เมื่อก่อนหูเราก็ดีกว่านี้ตอนนี้ก็ชักไม่ดีแล้วเมื่อก่อนสุขภาพก็แข็งแรงกว่านี้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีอีกแล้วเนี่ยส่วนนั้นส่วนนี้เมื่อก่อนก็กระฉับกระเชงกว่านี้เมื่อก่อนเป็นนักกีฬา ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะแค่หยิบเดินเข้าห้องน้ำก็ยังยากเลยอย่างงี้ก็หมั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆการพิจารณาอริยสัจคือการพิจารณาเรื่องเรื่องเรื่องชีวิตอะ่ะเอาเรื่องชีวิตอย่างนี้มาคิดไม่มากๆไม่ได้มีความจรังยั่งยืนเลยแล้วชีวิตเหล่านี้เนี่ยมีอะไรหนาเป็นเหตุเกิดก็บอกชาติานะแล้วก็ความเกิดเหล่านี้ที่ไหนมั่งที่มีการเกิดก็ไล่อย่างเงี้ไปเรื่อยพบสาม พบสมนั่นแหละเรียกว่าเกิดเพราะความเกิดก็คือพบสามแล้วตัวที่ทําให้เกิดอะไรนําเกิดละ่ะกรรมเป็นเครื่องจําแนกแล้วทําไมกรรมมันจึงจําแนกละ่ะทาไมกรรมจึงนําเกิดก็เพราะฉันทราคะที่มีในชราและมรณะนี่ด้วยอนุภาพแห่งความติดในชราและมรณะผู้การก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าเอสัตว์ทั้งหลายชอบชรามรณะอยู่หรือถามว่ารักตัวกลัวตายไหมล่ะนั่นไง ถ้าไม่รักตัวกลัวตายก็เออแสดงว่าเลิกชอบชรามรณะแล้วนะไม่มีฉันทราคะแต่ถ้ารังรักตัวกลัวตายนั่นแหละไอ้ตัวแล้วตัวนี้ละอ่อนหรือชราลอะครนี้ก็ชราอยู่แล้วมันก็ยินดีในชราถ้ายินดีในวัตถุที่เป็นชราก็เท่ากับยินดีในวัตถุที่เป็นมรณะถามว่าชรามรณะเนี่ยนะถ้าวิจัยลึกไปโดยขันธาตุยตนะเป็นขันอะไรเป็นรูปขันทําไมจึงเรียกรูปขัน ก็เพราะมหาพูดมหาพูดนั่นแหละชารามหาพูดนั่นแหละมรณะเพราะชีวิตตินทรีย์แตกดับไปหรือเตโชท่าที่มีกรรมเป็นสมุทฐานแตกทําลายไปเพัาะฉรามรณะก็คือความชำรุดสุดโทรมของมหาพูดทั้งหลายเมื่อมหาพูดเสียหายจากขู่ภาษาทะก็ไม่สดใสโสตประสาทะเออมหาพูดเสียหายโสตประสาทะก็ ไม่ดีเนี่ยนะแม้กระทั่งมหาพูดใดๆที่เสียหายไปนํามาซึ่งความวิการของอุ ป, ปาทายรูปอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาษาทรูปก็เสียหายถ้ามหาพูดเสียหายเนี่ยนะวิสยรูปไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสก็เสียหายโอชาทั้งหลายก็เสียหายไปหมดชีวิตตินทรีย์ก็เสียหายเพราะมหาพูดเปลี่ยนแปลงไป แต่มหาพูดเนี่ยนะจำจำที่น่ากําหนดเอาไว้ก็คือมหาวินาตนั่นแหละพินาตน่นนะไม่มีอะไรที่ไม่พินาตขึ้นชื่อว่ามหาพูดแล้วในที่สุดก็มีการแตกคำลายเป็นที่สุดนั้นการมณสิกามสายใจโดยความเป็นมหาพูดเราสแสวงหามหาพูดยืนอยู่บนมหาพูดนั่งอยู่บนมหาพูดนอนอยู่บนมหาพูดวิ่งไปหามหาพูดเนี่ยนะแล้วก็ ศึกษาอย่างนี้ใคร่ครัวญนะมหาพูดเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีชรากับมรณะนะถามว่านี่คือตัวทุกข์ใช่ไหมใช่แต่ถามว่าศาตราทั้งหลายเพลิดเพลินในสิ่งนี้ใช่ไหมบอกใช่ความเพลิดเพลินในมหาพูดเป็นเหตุใหม้มีมหาพูดผู้ใดเพลิดเพลินในมหาพูดพู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นชื่อว่าไม่พ้นทุกข์เพราะว่ามีแต่สร้างทุกข์ใช่ไหม ก็วัตตาทั้งหลายก็เป็นไปโดยประการอย่างนี้นั่น เ, เองในเรื่องของการสายใจโดยความเป็นมหาพูดมหาพูดคือสิ่งที่เป็นชารากับมรณะถ้ามหาพูดชารารวมนามธรรมา ท, ทั้งหลายก็ชาราไปด้วยตามอนุภาพของมหาพูดนะนะสิ่งที่เป็นชาราและมรณะเนี่ยนะเราพิจารณาอย่างไรจนกว่าจะตัดฉันทราคะใน มหาพูดเหล่านี้ซึ่งมหาพูดเหล่านี้มหาวิการก็คือเสียหายมหาบริหารก็คือเป็นทุกข์มหาวิวิบวิบมหาวิการเนี่ยนะก็คือวิปริณามะโถเนี่ยนะมหาบริหารก็ปีละนะโถเนี่ยนะและสิ่งนี้สันตาปนะไหมเร่าร้อนไหมนะเร่าร้อนมากถูกปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าตันหามัน มันเป็นเหตุให้มีมหาพูดเหล่านี้ตันหามไม่ยอมมันให้ผูกให้พันให้ให้ระลึกนึกถึงโหยหาห้อยหิวอนะนไคิดดูนะอนุภาพมหาพูดนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะมันดูดจิตไปหามันจริงๆจิตทั้งหลายเนี่ยนะที่เราไปเพื่อจะเห็นเนี่ยไปเห็นอะไรมหาพูดถูกมหาพูดดึงไปอันไหนไปลายแห่งไปเพื่อจะเห็นมหาพูดไปเพื่อจะฟังมหาพูดไปเพื่อที่จะได้ชื่นชมอยู่ใน มหาพูดดนั้นมหาพูดอย่าคิดว่าไม่ใช่ธรรมดานะมันติดตามในทุกผนทุกแห่งพร้อมที่จะไปได้หมดเลยหลายท่านนะถ้าโทรศัพท์ดังกริ๊งเนี่ยพร้อมจะไปได้ทันทีถ้ามหาพูดบางอย่างดังนะพร้อมที่จะลุกไปตามเสียงมหาพูดร้องมหาพูเรียกอาเนะนะไปได้หมดนะอย่าคิดว่ามันธรรมดานะ เ, าเอามาเข้าเรื่องต่อดีกว่าในติปกรณ์นะตอนนี้กาลังถึงหารไหน ลักขณาหารายังไม่จบเลย <c oughs> ลักขณาหาระนี่เป็นการกล่าวธรรมะอย่างหนึ่งธรรมะที่เหลือที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งที่ยังไม่ได้กล่าวก็ชื่อว่ากล่าวแล้วคือไม่มีใครสามารถกล่าวให้ละเอียดละออในครั้งเดียวกยันอย่างพิสดารได้อย่างเหมือนเดินมาหน้าบ้านแล้วเข้าชี้ให้ดูบ้านเฉพาะส่วนที่หน้าบ้านถามว่าเข้าชี้บ้านทั้งหมดหรือยัง ชี้หมดบ้านหรื อ, อยังก็ถือว่าชี้หมดแล้วหรือไปบางแห่งนะก็ก็ดูให้พอเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองถ้าคนที่รู้กันนะพูดกันก็เฉพาะแต่หัวข้อเนื้อหารายละเอียดก็ถือว่ารู้กันลักษณะหาระนี้เป็นการแสดงธรรมลักษณะนั้นที่เราต้องถือว่ารู้กันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการรู้กันอย่างในพระธรรมเนี่ยนะในพระสูตร ลักษณะของพสูตรโดยทั่วไปแล้วแสดงไว้ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันเป็นส่วนใหญ่เปรียบเหมือนในอัตกถาชั้นมรุปมาว่าเปรียบเหมือนจระเข้ตัวหนึ่งมันอยู่ในน้ามันโผล่เฉพาะหลังชายคนหนึ่งก็ชี้ให้ดูว่านั่นจระเข้ถามว่าผู้ชี้เนี่ยชี้จระเข้ทั้งตัวหรือว่าชี้ให้ดูเฉพาะแต่หลังก็ชื่อว่าจระเข้ทั้งตัวฉันใด การเรียนพระธรรมทั้งหลายก็ต้องคิดในลักษณะนั้นถ้าชี้แต่บางส่วนส่วนที่เหลือก็เท่ากับชี้มาแล้วดังที่กล่าวผ่านไปครั้งก่อนว่าเมื่อกล่าวจักสุคือตาเนี่ยนะตานี่ธรรมชาติที่เห็นใช่ก็เป็นกลุ่มประสาทสัมผัสถ้ากล่าวตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนั่นนะถ้ากล่าวอดีต อนาคตและปัจจุบันก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนะถ้ากล่าวกายคตาสติเวทนาสติจิตตะตาสติธรรมะตาสติก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวกายคตาสติเนี่ยนะ ในกายคตาสติหรือสติปฐานภาวนาประกอบไปด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกเน่อาตาปีเป็นชื่อของวิริยินทรียสัมปชาโนเป็นชื่อของปัญญินทรียสติมาเป็นชื่อของสตินทรียวินยะโลเกอภิชาโ ท, โทมานะสังเป็นชื่อของสมาธินทรียถ้ากล่าวอินทรีย์4ประการเนี่ยนะสตินทรีย์ชื่อว่ากล่าวหรือยัง กล่าวแล้วผู้ที่เจริญอินทรีย์เนี่ยนะอินทรีย์ทั้ง5ประการหรืออินทรีย์สประการเนี่ยพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมานต์ตามเห็นกายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาเมื่อเห็นโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ย่อมยังความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัด ยังความดับและสละคืนให้เกิดขึ้นทีนี้ไอตัวที่พิจารณาตัวที่เจริญดังกล่าวไปเรียกว่าสติปทานเมื่อกล่าวสติปทานสัมมาปทานก็เป็นอันกล่าวแล้วอนะถ้ากล่าวสัมมาปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงอริยมรคมีองค์8ดก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวอย่างนี้โพธิปัจจยธรรม3าประการก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะว่าโพธิปัจจะธรรมเนี่ยชื่อว่าเป็นธรรมที่ทําให้ ตรัสรู้อริยสัจ ท, ทั้ง4ี่ประการแล้วโพธิปักจธรรมทั้งาบประการมีลักษณะเหมือนกันคือนิยานิกระธรรมเป็นธรรมที่นำออกไปจากทุกขนนะเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวในยุคนี้นะถ้าจะให้เห็นนิดหนึ่งว่าถ้าผู้ใดรังเกียจโพธิปักจยธรรมก็รังเกียจการออกจากทุกถ้าผู้ใดมีใจรักในโพธิปักจธรรมก็แสดงว่ามีใจรักในการออกจาก หมโพธิปัจจะธรรมไม่ควรปฏิเสธโดยประการทั้งปวงเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งนะโพธิปัจจะธรรมนะั้นเป็นธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งนั้นโพธิปัจจะธรรมนี่สําคัญมากเพราะธรรมะที่จะทําให้ออกจากวัตฏทุกข์ทั้งหลายทีนี้ถ้าเจริญโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะโพธิปัจจะธรรมชื่อว่าเป็นกลุ่มภาเวตประธรรมเป็นธรรมที่ควรจเจริญ ถ้ากล่าวภาเวตปรธรรมเนี่ยนะทำที่ควรละชื่อว่ากล่าวหรือยังลกล่าวแล้วถ้าคนละไนดะ้ถ้าไม่ทําปริญญาแล้ว อ, อะไรมาละก็ละก็เชื่อว่ากล่าวสิ่งที่ควรกําหนดรู้แล้วถ้าเขากําหนดรู้ด้วยละด้วยเจริญด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาเข้าถึงสิ่งที่ควรทําให้แจ้งแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวภาเวตประธรรมปริญญายธรรม ปหาตปรธรรมสัจจิกาตปรธรรมก็ชื่อว่ากล่าวแล้วดังที่พระองค์แสดงว่าเขาชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกาหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้ละรม ท, ที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทำให้แจ้งธทำที่ควรทําให้แจ้งเนี่ยนะนผู้ที่ทํากิจลักษณะนี้เรียกว่าพุทธะหรือผู้ตรัสรู้ทั้งหลายเขาตรัสรู้เช่นนี้แหละมันถ้อยคําเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดอันใดอันหนึ่งอันอื่นก็เท่ากับ แสดงแล้วพันการเรียนพระธรรมเนี่ยต้องเรียนให้ให้เห็นเป็นระบบพูดถึงโครงสร้างอ่ะนะถ้าพูดเสาหนึ่งต้นนะบ้านมันเสาต้นเดียวอยู่ได้ที่ไหนบ้านใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็อยู่หลายต้นพันพูดถึงแต่เสาต้นเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะพูดบ้านทั้งหลังเนี่ยนะนะแล้วก็พระธรรมนี่ก็เป็นลักษณะนี้แต่ผู้ที่ศึกษาโดยขาดความเข้าใจในลักษณะหาระจะตําหนิว่าพระธรรมตรัสไว้ไม่ดีนะ น, นี่แหละสว่าขาโตไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ดีดีดเพ่งโทษแม้ก็ตั้งพระพุทธเจ้าะนะแต่พระ อ, องค์รู้แล้วว่าโลกธระทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกนี้มันมีเดี๋ยวก็ชมบ้างเดี๋ยวก็ด่าบ้างเราธรรมดาอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าคนชมคนด่านี่ระวังไม่งั้นมันจะได้บาปเปล่าๆนะแต่พระ อ, องค์เนี่ยทำล่วงโลกกระทำหมดแล้วละ่ะนี่มาดูในหน้าสี่บเอดย่อหน้าท้ายาย่ยอหน้าล่างสุดเลยกล่าวว่า ท่านแสดงรูปอินทรีย์ใดในเทศนาใดาเนี่ยนะก็เป็นอันแสดงรูปประท่ารูปประขันและรู ป, ปายตนะในเทศนานั้นนั่นเองเทศนาใดาที่แสดงรูป see, อินทรีย์รูปที่ถึงความเป็นอินทรีย์นี่มีอะไรบ้าง1จับขุนศีสองโซตินรียามคาเินรียี่ชิวหินศีห้ากาญศีห6 ชีวิตสินทรีย์อิฐถิน่นรียปุริสินรีเหมาหรือยังหมาล้คือภาษาทารูปห้าภาวะรูปสองชีวิตรูปหนึ่งอันนี้เป็นรูปที่ถึงความเป็นอินทรีย์เพราะฉะนนั้นถ้ากล่าวรูปอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายภ า, ภาวะสองและชีวิตรูปหนึ่งก็เชื่อว่ากล่าวรูปประทัดเพราะเป็นรูปประทัดใช่ไหม จักขุนสีเป็นอะไรเป็นจักขู่ธาตุโสตินศีเป็นโสตธาตุคานินศีเป็นคาณาธาตุชิวหินสีเป็นชิวหาธาตุกายินศีเป็นกายะธาตุที่เหลือทั้งหมดเป็นธรรมธาตุธรรมธาตุ ถธาตุาหาเหล่านั้นก็ชื่อว่ารู ป, ปรขันเพราะอินทรีย์หรือธาตุดังกล่าวมีลักษณะสลายไปและเป็นอายตนะที่เป็นรูปเนี่ย